คุณค่าทางจริยธรรมคุณค่าที่หนึ่งอายตนะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของทางแยกระหว่างกุศลกับอกุศลทางสายหนึ่งนำไปสู่ความประมาทมัวเมาความชั่วและการหมกติดอยู่ในโลกอีกสายหนึ่งนำไปสู่ความรู้เท่าทันการประกอบกรรมดีและความหลุดพ้นเป็นอิสระ ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าหากไม่มีการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจและปฏิบัติในเรื่องอายธตระอย่างถูกต้องแล้วตามปกติมนุษย์ทั่วไปจะถูกชักจูงล่อให้ดำเนินชีวิตในทางที่มุ่งเพื่อเสพเสวยโลกเที่ยวทำการต่างๆเพียงเพื่อสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผดถั พ, พะที่ชอบใจและความสนุกสนานบันเทิงต่างๆ มาปรนเปือตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจ่ยอยากของตนพ่อปูนความโลภโกรธหลงแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพอจะเห็นได้ไม่ยากว่าการบีบเบียนกันการขัดแย้งแย่งชิงการกดขี่บีบคั้นเอารัดเอาเปรียบกันตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดเพิ่มขึ้นและที่แก้ไขกันไม่สาเร็จโดยส่วนใหญ่แล้ว ก็สืบเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตแบบปล่อยตัวให้ถูกล่อถูกจักจูงไปในทางที่จะปรนเปลอาญาตนณะอยู่เสมอจนเคยชินและรุนแรงยิ่งขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองคนจำนวนมากบางทีไม่เคยได้รับการเตือนสติให้สำนึกหรือยังคิดที่จะพิจารณาถึงความหมายแห่งการกระทาของตนและอายญาตนณะที่ตนปลนเปลบ้างเลยและไม่เคยปฏิบัต เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือสังวรระวังเกี่ยวกับอาญาตนะหรืออินทรีย์ของตนจึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมายิ่งยิ่งขึ้นการแก้ไขทางจริยธรรมในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันความหมายของอาญาตนะและสิ่งเกี่ยวข้องว่าควรจะมีบทบาทและความสาคัญในชีวิตของตนแค่ไหนเพียงไรและอีกส่วนหนึ่งให้มีการฝึกฝนอบรมด้วยวิธีประพฤติปฏิบัต เกี่ยวกับการควบคุมการสํารวมระหว่างใช้งานและรับใช้อายตนะเหล่านั้นในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตของตนเองและแก่สังคมคุณค่าที่2 อ, อายตนะเป็นแหล่งที่มาของความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการดาเนินชีวิตทั่วไปและความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอย่างของผุ้ทุชนด้านสุขก็เป็นการสแสวงหาด้านทุกข์ ก็เป็นการดีกหนีนอกจากสุขทุกข์จะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความประพฤติดีประพฤติชั่วที่กล่าวในข้อหนึ่งแล้วตัวความสุขทุกข์นั้นก็เป็นปัญหาอยู่ในตัวของมันเองในแง่ของคุณค่าความมีแก่นสารและความหมายที่จะเข้าพึ่งพาอาศัยมอบกายถวายชีวิตให้อย่างแท้จริงหรือไม่คนไม่น้อยหลังจากระดมเรียวแรงและเวลาแห่งชีวิตของตนวิ่งตามหาความสุข จากการเสพสวยโลกจนเหนื่อยอ่อนแล้วก็ผิดหวังเพราะไม่ได้สมปรารถนาบ้างเมื่อหารถอร่อยหวานชื่นก็ต้องเจอรถขืนขมด้วยบางทียิ่งได้สุขมากความเจ็บปวดเศร้าแสบกลับยิ่งทวีล้ำหน้าเสียค่าตอบแทนในการได้ความสุขไปแพงกว่าได้มาไม่คุ้มกันบ้างได้สมปรารถนาแล้วแต่ไม่ชื่นเท่าที่หวังหรือถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายแล้วความสุขกลับวิ่งหนีออกหน้าไปอีก ตามไม่ทันอยู่ร่ำไปบ้างบางพวกก็จบชีวิตลง ท, งทั้งที่กำลังวิ่งหอบยังตามความสุขแท้ไม่พบหรือยังไม่พอส่วนพวกที่ผิดหวังแล้วก็เลยหมดอะไรปล่อยชีวิตเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องอยู่อย่างทอดถอนความหลังบ้างหันไปดำเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกด้านหนึ่งโดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยู่อย่างทรมานตนเองบ้างการศึกษาเรื่องอาญตนะนี้ มุ่งเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสภาพความจริงและประพฤติปฏิบัติด้วยการวางท่าทีที่ถูกต้องไม่ให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นมากนักอย่างน้อยก็ให้มีหลักพอรู้ทางออกที่จะแก้ไขตัวนอกจากจะระมัดระวังในการใช้วิธีการที่จะสแสวงหาความสุขเหล่านี้แล้วยังเข้าใจขอบเขตและขั้นระดับต่างๆของมันแล้วรู้จักหาความสุข ในระดับที่ประณีตยิ่งขึ้นไปด้วยความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกนี้ย่อมเป็นเรื่องของจริยธรรมไปด้วยในตัวคุณค่าที่สอาญาตัะในแง่ที่เป็นเรื่องของกระบวนการรับรู้และการสแสวงหาปัญญาก็เกี่ยวข้องกับจริยธรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพราะถ้าปฏิบัติในตอนเริ่มแรกไม่ถูกต้องการรับรู้ก็จะไม่บริสุทธ แต่จะกลายเป็นกระบวนการรับรู้ที่รับใช้กระบวนการเสพสเวยโลกหรือเป็นส่วนประกอบของกระบวนธรรแบบสังสารวัตไปเสียทำให้ได้ความรู้ที่บิดเบือนเอ็นเอียงเคลือบแฝงมีอากติไม่ถูกต้องตรงตามความจริงหรือตรงกับสภาวะตามที่มันเป็นการปฏิบัติในทางจริยธรรมที่จะช่วยเกื้อกูลในเรื่องนี้ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิต ให้ดำรงอยู่ในอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางมีจิตราบเรียบเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงไม่ให้ถูกอำนาจกิเลสมีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเข้าครอบงำคุณค่าที่สี่การปฏิบัติทานจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับอานจตนะโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมีหลายอย่างบางอย่างก็มีไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนต่า ง, า ง, างกันทั้งนี้สุดแต่ว่า ปัญหามักจะเกิดขึ้นที่จุดใดทุกและบาปอากุศลมักได้ช่องเข้ามาที่ช่วงตอนใดอย่างไรก็ตามท่านมักสอนย้ำให้ใช้วิธีระวังหรือป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกที่สุดคือตอนที่อายาตนะรับอารมณ์ทีเดียวเพราะจะทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยจึงเป็นการปลอดภัยที่สุดในทางตรงข้ามถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้ว คือบาปอากุศลได้ช่องเข้ามาแล้วมักจะแก้ไขา ย, ยากเช่นเมื่อปล่อยให้อารมณ์ที่ล่อเราเย้าวยวนครอบงำใจจิตถูกปรุงแต่งจนราคะหรือโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วทั้งที่รู้ผิดชอบชั่วดีมีความสำนึกในสิ่งชอบทำอยู่แต่ก็ทนต่อความเย้าวยวนไม่ได้ลุกอำนาจกิเลสทำบาปอากุศลลงไปด้วยเหตุนี้ ท่านจึงย้ำวิธีระมัดระวังป้องกันให้ปลอดภัยไว้ก่อนตั้งแต่ต้นองค์ทมสำคัญที่ใช้ระมัดระวังตั้งแต่ต้นก็คือสติซึ่งเป็นตัวควบคุมจิตไว้ให้อยู่กับหลักหรือพูดอีกนงยะหนึ่งเหมือนเชือกสำหรับดึงจิตสติที่ใช้ในขั้นระมัดระวังป้องกันเกี่ยวกับการรับอารมณ์ของอายตนะแต่เบื้องต้นนี้ใช้หลักที่เรียกว่าอินสีสังวรซึ่งแปลว่า การสํารวมอินทรีย์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคุ้มครองทวารเรียกเต็มว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายถึงการมีสติพร้อมอยู่เมื่อรับอารมณ์มีรูปเป็นต้นด้วยอินทรีย์มีตาเป็นอาธิก็ไม่ปล่อยใจถือไปตามนิมิตหมายต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความติดพันขุนเคืองชอบใจไม่ชอบใจและถูกอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตใจ การปฏิบัติตามหลักนี้ช่วยได้ทั้งด้านป้องกันความชั่วเสียหายป้องกันความทุกข์และป้องกันการสร้างความรู้ความคิดที่บิดเบือนเอ็เอียงอย่างไรก็ตามการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลไม่ใช่ว่าจะนําหลักมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามปรารถนาเพราะสติจะตั้งมั่นเตรียมพร้อมอยู่เสมอจําต้องมีการฝึกฝนอบรมอินเสียสังวรจึงต้องมีการซ้อมหรือใช้อยู่เสมอ การฝึกอบรมอินทรีย์มีชื่อเรียกว่าอินทรียภาวนาแปลตามแบบว่าการเจริญอินทรีย์ผู้ที่ฝึกอบรมหรือเจริญอินทรีย์แล้วย่อมปลอดภัยจากบาปอากุศลธรรมความทุกข์และความรู้ที่เอยนเอียงบิดเบือนทั้งหลายเพราะป้องกันไว้ได้ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือแม้หากความชอบใจไม่ชอบใจจะหลุดรอดเกิดขึ้นมาก็สามารถระงับ หรือสลัดทิ้งไปได้เร็วพลันสำหรับข้อความที่ว่าผู้ที่ฝึกอบรมหรือจเจริญอินทรียแล้วย่อมปลอดภัยจากความรู้ที่เองเอียงบิดเบือนทั้งหลายนั้นในที่นี้หมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม่ไม่พูดถึงเหตุที่สั่งสมไว้เก่าคือตันหามานะและทิฏฐิที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งต่างหากอินเียสังวรนี้จัดว่าเป็นหลักธรรมในขั้นศีล แต่องค์ทาสําคัญที่เป็นแกนคือสตินั้นอยู่ในจำพวกสมาธิทําให้มีการใช้กําลังจิตและการควบคุมจิตอยู่เสมอจึงเป็นการฝึกอบรมสมาธิไปด้วยในตัวหลักธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแนะนำให้เป็นข้อปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นหลักในระดับปัญญาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการหลักนี้ใช้ในช่วงตอนที่รับอารมณ์เข้ามาแล้วโดยให้พิจารณาอารมณ์นั้น เพื่อเกิดความรู้เท่าทันเช่นพิจารณาคุณโทษข้อดีข้อเสียของอารมณ์นั้นพร้อมทั้งภาวะอันเป็นอิสระปลอดภัยอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอารมณ์นั้นในแง่ที่จะต้องให้คุณและโทษของมันเป็นตัวกาหนดความสุขความทุกข์และจะตาชีวิตข้อปฏิบัติที่กล่าวถึงเหล่านี้มีแนวปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ข้างต้นบ้างแล้วและบางหลักก็จะอธิบายต่อไปข้างหน้าอีก จึงพูดไว้โดยย่อเพียงเท่านี้